จิงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตาหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉนายโมฆะบุรุษเหล่านั้นปูที่นอนในวิหารของทรงแล้วเมื่อจะจากไปจึงไม่เก็บไม่ใช้ให้เก็บไม่บอกมอบหมายพากันจากไปจนเสนาสนะถูกตัวปลวกกัดเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทาอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้